เกิดในที่ประชุมสงฆ์วันที่ 10 กันยายน 2505ณวัดตาบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการแสวงหาทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกมีลักษณะเช่นเดียวกันคนฉลาดหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ขัดข้องหาได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นคนโง่แล้วลําบากมาก ก็เห็นได้ในที่ทั่วๆไปเช่นคนทุกคนมีกำหนัดมากคนร่ำรวยมีกำหนัดน้อยมีก็พอสังเกตให้เห็นแล้วว่าคนโง่มีกำหนัดมากคนฉลาดมีกำหนัดน้อยก็อย่างนั้นคนที่ทุกข์ทรมานจึงมีกำหนัดมากกว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์การแสวงหาครับภายในคือคุณงามความดีก็เช่นเดียวกัน ย่อมขึ้นอยู่กับความฉลาดเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นถ้าเป็นคนโง่แล้วแม้จะเข้าไปนั่งคิดคิดกับคลายตะบงทีวรของพระกุฏฐกะและสาวกก็ตามผลจะพึงได้รับของเขาก็คือความโง่นั่นเองแต่ในความฉลาดหรือคุณงามความดีกับพระพุทธเจ้าและสาวกนั้น เป็นการลําบากมากสําหรับคนโง่ภรรนายก็ต้องขึ้นดูกับภามตลาดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแสวงหาทรัพย์ภายในให้เป็นความสุขของใจได้ทรัพย์ภายนอกเราทั้งหลายก็พอทราบกันแล้วนับตั้งแต่เงินทองเข้าของและสิ่งที่มีวินญาณไม่มีวินญาณเรียกว่าทรัพย์ทั้งนั้น เมื่อตกเป็นกรรมติดของใครก็เรียกว่าศัพท์ของคนนั้นคุณงามความดีที่ให้นามว่าบุญซึ่งกันศัพท์ภายในก็เช่นเดียวกันคนไม่ฉลาดแม้จะไปแสวงหาบุญกุศลดําเนินคุณงามความดีกับเพื่อนเค้าผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดของตนความฉลาดมีน้อย บุญกุศลที่จะทุนได้รับก็มีน้อยแต่พรณบวชของเราบวชมาในพระพุทธศาสนามุ่งหน้าจะบำเพ็ญตนให้พ้นจากทุกข์เหมือนคนผู้มุ่งความเป็นเศรษฐีโดยท่าเดียวอันหนึ่งเจตนาของคนในโลกมีอยู่ 3 ประการคือคนบางจําพวกเกิดขึ้นมาในทาง การแห่งความยากจนคนแท้ๆเพราะพ่อแม่เป็นคนโง่และผัดผลทรัพย์สมบัติเงินทองไม่มีสักอย่างเป็นอยู่ด้วยการขอทานเข้ามารับทานกลืนช้าจะขอทานตามตอกตามก๊อกมุมถนนและตามหน้าร้านต่างๆมารับทานพอปากพอท้องบ้างไม่พอบ้าง ลูกก็รวมมาสายกรรมอันเดียวกันเพราะวาสนาขนาดนั้นก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่ผู้อภัพวาสนาเช่นนั้นลูกจึงไม่มีแก่กายที่จะคิดถึงความมั่งมีคิดถึงความเป็นเศรษฐีเหมือนอย่างโลกเค้าผู้มั่งมีเพราะพ่อแม่ที่เป็นดังเกิดเป็นตัวขิ่มให้ลูกๆเห็นอยู่แล้วลูกเกิดมาก็เป็นคนโง่และเจียดครานเหมือนพ่อแม่ อยู่กับพ่อแม่ก็ทุกข์ตนและพาขอทานทกทินวันหนึ่งอีกบ้างไม่อีกบ้างขนาดนี้ก็ยังดีอยู่บ้างแต่ถูกพ่อแม่บางคนทุกข์ตนแล้วยังไม่พอยังเคลียวหาฉกรัดต้นที่เอาของเขามากินกินของหรืออาหารทุกทินที่ได้มาเลี้ยงลูกก็เป็นการสอนลูกในตัวว่า สิ่งที่ได้มายังลูกนี้คืออะไรและได้มาจากไหนลูกก็เป็นการศึกษาจากข้อแม่ไปอีกเหมือนกันไม่ได้สิ่งของบริสุทธิ์มากินแต่ได้มาด้วยความทุจริตคือถูกรับโล้นเข้ามาทั้งนั้นพอลูกเติบโตขึ้นมาไม่ต้องคิดหาการทํางานและความรู้วิชาตามใบที่จะควรศึกษาหาความรู้ความสละตนตัว ทาพระแม่สั่งสอนให้เรียบร้อยแล้วคือการปลุกรักคนที่สะบัดจักจ้อท่อโกมดีทีนี้ล่ะและความที่เกลียดที่การสรรดานไม่เป็นที่ไว้วางใจเกียรติมิตาเข้าสอบแข่งขันเพื่อเข้าทํางานกรมครองทํานธิคมที่เค้าหรือกันว่าเป็นมิตาและงานที่ต่ําซึ่งคนเมืองทั่วๆไปไม่ทํากัน บางนี้ก็พ่อแม่สร้างตัวเป็นกระดานดำท่านเต็มเปื้อนตัวหนังสือคือความประพฤติมารยาททุกๆอาการที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วลูกๆทุกคนเกิดมาได้รับการศึกษาหัดธรรมหัดโคตรหัดจิตทุกอาการเป็นการศึกษาจากพ่อแม่และเต็มเปียงพอก็ตัวหนังสือและหลักวิชาทุกๆแขนงมีอยู่ในกระดานดำคือพ่อแม่พร้อมหมู่แล้ว ตัวที่เกี่ยวที่การตัวคดโกงตัวที่พ่อโกหกตัวฉกรัดต้นที่คือว่าความทุจริตทุกๆแหนงมีอยู่ในตัวหนังสือคือหนังสือที่เขียนอยู่บนกระดานดําคือพ่อแม่ทั้งนั้นลูกๆก็หัดอ่านหัดวาดเรียนเรียนถ่ายทอดจากพ่อแม่มันคือความรู้ ประเภทไปเถาะโลกไว้ในตัวเสร็จพอใจโตขึ้นมาบ้างก็เริ่มทําหน้าที่แฝงพ่อแม่โดยเริ่มลักเด็ดขโมยน้อยเป็นลําดับไปค่อยๆกลายเป็นคนทั่วประพฤตตัวเป็นเผือร้ายทําความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านทําให้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกอย่างยากมีจุดสําคัญคือจุดตายไม่บ้านไม่เมืองแบบกลับไม่ไว้ ทำกลายเป็นคนเสียหายอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้เพราะพ่อแม่เป็นแดงเกิดก็มีเพราะเกิดจากนิสัยของเด็ดแต่เองก็มีเพราะการคบคนทั่วสังดานท่อพฤติกรรมก็มีคนประเภทหนึ่งคิดไปในแถวนี้อีกคนประเภทหนึ่งคิดว่าแม่เราไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่มีพอใช้พอรักษาเสมอบ้านเมืองเขา นักฑินคนนําเมืองดีเหมือนเขาก็พอมีหน้ามีตาเสมอบ้านเมืองเขาบ้างคนทั้งพวกนี้มีความขยันหมั่นเพียรพอสมควรไม่ค่อยมีความเกลียดชังเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรพอประมาณสมบัติเงินทองเครื่องใช้พอเป็นพอไปเสมอบ้านเมืองและคนนําเมืองดีก็ทั่วไปเมื่อลูกเกิดขึ้นมาก็ถือพ่อแม่เป็นบทเรียนยึดพ่อแม่คู่เป็นกระดานและตัวหนังสือ ศึกษาความประพฤติการงานตลอดมรรยาททุกอย่างรับถ่ายทอดวิชาจากพ่อแม่ไปชายก็กลายเป็นคนนุ่งมุนดีมีสมบัติพอจัดการท้ายสอนไม่ติดเครื่องเค้ามีอะไรก็พอมีกับเค้าไม่ทําความอับอายขายหน้าพ่อแม่ญาติวงและตัวเองแล้วก็ค้าสมาคมกับคล้ายๆก็ก็ทําเพื่อความองอาจและสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนอักเสณฑ์ต่อวงญาติและสังคมทั่วไปเป็นคนทําตัวให้เป็นไปในแถวแห่งความคิดของตนจนกลายเป็นคนมังงืนและมีสมบัติท้าไม่พ้นยากขาดเคือนคนประเภทที่ <c oughs> ไม 2 ที่ไปในแถวนี้คนประเภทที่ 3 มีความรู้สึกแตกจาก 2 จําพวกที่กล่าวมาโดยคิดว่า อย่างไรก็จะให้มีสมบัติต่างๆเหมือนโลกเขาทั้งสิ้นแล้วก็เริ่มสงหวังแต่ต้นทางเพราะโอกาสวาสนาอํานวยแต่เขาได้เกิดในตระกูลข้างข้างก็มูลด้วยทรัพย์สมบัติและศิลปะความขยันหมั่นเพียรและความเฉลียวฉลาดได้ศึกษาจากครอบหมู่ก็พ่อแม่พาซื้อพาขายด้วยความขยันหมั่นเพียรหมุนตัวเป็นตัวอยู่เพื่อการงานและติดการทุกๆแขนง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 กิจกรรมทุกอย่างทั้งทางคดีโลกมีการค้าขายเป็นต้นทั้งคดีธรรมมีการให้ทานรักษาศีลนั่งสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นต้นเป็นจิตที่ลูกสะตุษตาและรับผิดทอดได้จากพ่อแม่ทั้งนั้นฉะนั้นพ่อแม่ของเด็กจึงไม่ควรประมาทในความประพฤติดีชั่วว่าเด็กจะไม่สามารถศึกษาได้รับผิดทอดจากคนฐานแล้วทําไปตามความชอบกัน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 ฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นแม่พื้นของลูกๆสําคัญยิ่งกว่าใครๆทั้งการเลี้ยงดูทั้งการให้ความรักและความสนิทสนมแก่เด็กซึ่งเกิดกับเราทั้งให้การศึกษาในหลักในหลักธรรมชาติและหลักศาสนาควรจะเรียนจากพ่อแม่เพื่อเป็นพื้นฐานของเด็กก็เด็กทุกคนเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นนักศึกษาและถ่ายทอดจากผู้ใหญ่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 ผู้เดินตามมรรคจะคิดได้เร็วยิ่งกว่าครูสอนในโรงเรียนเสียอีกฉะนั้นเด็กทุกคนซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ไหนไหนผู้ปกครองจึงควรสนใจเป็นพิเศษเสมอแม้แต่ที่ทํางานช่วยพ่อแม่อยู่ในบ้านพ่อแม่พาซื้อขายเป็นงานอาชีพอยู่ในบ้านเด็กเรียนวิชาค้าขายกับพ่อแม่ไปในตัวพ่อแม่มีความหนักดาลในแน่ไหน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 ลูกๆก็เถียวเป็นแบบฉบับได้รับศีลนักธรรมครบทั้งการปฏิบัติตามที่พ่อแม่เคยท่าธรรมมีคนประเภทที่ 3 มีความขยันหมั่นเพียรมากผลปรากฏให้ดีเด่นกว่าคนทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมาเมื่อแยกออกเป็นประเภทแล้วคนประเภทที่ 1 เป็นคนเฉียดค้านมากและโง่ที่สุดทั้งทําตัวให้เป็นคนเนรสาร ลักษณะที่ดูมินหยัดยามของคนนำนำดีทั่วๆไปคนประเภทที่ 2 มีความขยันหมั่นเพียรและมีสมบัติพอประมาณส่วนคนประเภทที่ 3 มีความมุ่งมั่นจะให้มั่งมีเหนือโลกเขาทั้งนั้นทั้งมีความขยันหมั่นเพียรมากพอตั้งจุดไว้สูงจึงไม่ถอยไม่ลาความอดทนก็มากความเพียรในหน้าที่การงานก็มากวิ่งเต็มขวันขวาหาการหางานเพื่อทับสมบัติ มุ่งตัวเพียรอยู่เพื่อความขยันหมั่นเพียรและธรรมฉลาดรอบคอบในการงานทุกเหนียงไม่ย่อท้อคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็เรียกว่าเป็นคนสําคัญคนหนึ่งควรจะเป็นตัวอย่างของประเทศชาติบ้านเมืองตลอดเกิดฐานคนทั่วไปได้เป็นอย่างนี้นักบวชเราในคนประเภทที่ 1 บวชมาพอเป็นชื่อเป็นนามกับเขาบวชพอเป็นพิธี บวชมาได้มุ่งต่อเหตุต่อผลอรรคธรรมไม่ได้มุ่งต่อคุณงามความดีบวชเพียงยังคิดอยู่เป็นทุกข์เขาไม่ต้องสงสัยเหมือนอย่างคราวว่าบวชมาแล้วความขี้เกลียดขี้ช้านก็มากการทะเลาะเบาะแง้งกับหมู่เพื่อนคอยลือนามแทนที่จะเป็นบุญกุศลเพราะการบวชตามที่เข้าใจกันแต่กลายเป็นบาปหักทุกข์ใส่ตัวเองและพวกเกี่ยวข้องก็มีมาก นักบวชประเภทที่ 2 เป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลถ้าพอจะค้นทุกไปได้ก็ขอให้ค้นไปว่าบุญมีก็ขอให้ได้บุญว่าบาปมีก็ขอให้รู้เรื่องของบาปและบุญจริงๆเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความฉลาดพอประมาณการปฏิบัติปฏิบัติก็ทําวินัยก็ดีไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนด้วยกัน มีความสนใจในการศึกษาระเวียนได้ด้านปฏิบัติในใจที่ขาถูกสินธรรมาสิบัญญาด้วยความเพียงเป็นผู้บอกนอนส่ง่ายและเชื่อถือในหลักและทำวินัยและกอภิการงานด้วยความสนใจและหลักผลและบวดโปรเภทที่ 3 บวดอำนาจความเชื่อความล่มสายจริงๆแม้เบิงต้นแต่ยังไม่ได้รับ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 จึงได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านทั้งสอนก็ยิ่งเกิดความเชื่อความล้นสายอย่างแรงกล้าขึ้นภายในใจมีความปรารถนาอย่างเต็มที่ที่จะทําตนให้พ้นจากทุกข์โดยท่าเดียวยืนเดินนั่งนอนมีความปรารถนาอย่างนั้นไม่ลดนักในอัยยบททั้งสี่มีความมั่นใจทําตนให้พ้นเสมอไปคู่นี้แลเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมาก ทำอะไรก็ทําด้วยความเต็มอกเต็มใจทําด้วยมุ่งหืดมุ่งผลมุ่งอัดมุ่งทําจริงๆคนประเภทที่ 3 นี้เป็นประเภทที่ไม่นิ่งนอนไกลการรักษาศีลก็เป็นการเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆและรักษาด้วยความนมัสตวังการทําใจให้สงบให้เป็นไปเพื่อความสงบพอดีการจะทําปัญญาให้เกิดก็ดีไม่มีความนอนไกลทั้งสติทั้งปัญญาที่เป็นภาคพื้นเดิม อยู่ตามวินัยของกุฏิชนตั้งใจพยายามอบรมสติอบรมปัญญาที่เป็นภาคพื้นนี้ให้มีความสามารถขึ้นเป็นลําดับจนกลายเป็นสติที่รู้ทันและกลายเป็นปัญญาที่เสี้ยวฉลาดรอบรู้ต่อความเคลื่อนไหวของตนจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาได้มีทางโลกก็มีคน 3 ประเภท ทางธรรมคือนักบวชก็มีคน 3 ประเภทด้วยกันเราจะเลือกเอาคนประเภทใดในคน 3 จำพวกนั้นเมื่อสรุปลงแล้วได้แต่ตัวของเราแต่ละท่านนะท่านเพราะเราจะทําตัวเราให้เป็นคนประเภทหนึ่งก็ได้ให้เป็นคนประเภทที่ 2 ก็ได้หรือจะให้เป็นคนประเภทที่ 3 ก็ได้จะสําเร็จขึ้นในเราคนเดียวเพราะคน 3 ประเภทนี้เป็นข้อเทียบเียงเมื่อย่นเข้ามาสู่ตัวของเราแล้ว เราคนเดียวสามารถเป็นไปได้ทั้ง 3 ชนิดชนิดที่ทําตัวให้เร็วให้เร็วตามมีแต่ความเถิดท้านไม่สนใจใกล้ต่อการปฏิบัติธรรมทําตัวให้หมดราคาก็ได้จะทําตัวให้เป็นคนชนิดที่ 2 ก็ได้หรือชนิดที่ 3 ก็ได้แล้วแต่ความทอดใจนั้นต้องการจะแปรความคิดความเห็นของเราด้วยการวาจาถ้าเราต้องการให้เป็นคนชนิดใดก็แปรการวาจาใจของตนแท้ ถ้ารู้กับคนชนิดนั้นๆเรื่องคนชนิดนั้นก็จะกลายเป็นเราขึ้นมาเพราะคนชนิดไหนๆก็ไม่เหนือจากเราจะแปรความประพฤติไปตามได้ทั้ง 3 ประเภทจากเราคนเดียวถ้าจะเป็นคนประเภทที่ 3 อย่างไรก็จะทําตัวให้พ้นจากทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นแล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทในเอียบททั้งหลายโดยมีสติอยู่กับความเพียร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 ทั้งนี้ไปจากเรื่องของเราที่ไม่อยู่ระหว่างสังวรมตนทั้งนั้นแต่นอกไปจากเรื่องไม่สังวรมนี้เลยถ้าเรามุ่งพ้นจากทุกข์ในฐานนี้ต้องเห็นภายในความผิดและความสมหมาดความทั้งเผลอสติว่าเป็นฆาตึกต่อตนเองถ้าเรายังเห็นกระแสของใจที่หมุนไปตามเรื่องอันตกรให้เกิดตัณหาอาวตวะที่เรียกว่าสมุทัยแลนเกิดแห่งทุกข์ว่าเป็นของดีด้วยแล้วอย่างไรก็ต้องจ่ม เอาตัวไปไม่รอดตรงนี้ปดเตื้องสิ่งเหล่านั้นทันทีอย่าปล่อยให้นอนหมกมมอยู่ในหัวใจของเรามีผู้เห็นภัยต้องเห็นการสังสมกิเลสขึ้นในตนว่าเป็นตัวภัยพ่อวัดปฏิบัติทุกอย่างเป็นเหมือนรั้วบ้านและกระดานขาเรือนซึ่งเป็นเครื่องคับขาภัยให้เราเป็นชั้นๆการทําจิตกรรมที่เรียกว่าเป็นความเพียร ต้องมีสติประจําอยู่กับสิกขวัตนั้นๆอย่าให้เถลอบำรุงสติบำรุงปัญญาให้รอบคอบต่อตนเองเสมออย่าปล่อยไปตามกระแสของความสักดันซึ่งเคยเป็นนิสัยของตนเรื่องจิตแล้วอย่างไรท่านเหนือจากความพยายามและการบังคับของเราไปไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติอย่าเอาสติไปคาดหวังข้างหน้า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 อัติวาตาของท่านกรมเกียวกับพระธรรมวินัยไม่เป็นที่สงสัยของบรรดาท่านที่ปฏิศาสน์ถ้าที่ผมเนี่ยเคยผ่านและได้อยู่อาศัยกับท่านมานมัสตรงกับแนวทางสุปฏิปันโนปุจฉญาณะสามิปฏิกณโณมาในทางเดินกันเลยท่านพระอาจารย์มั่นดําเนินเบื้องต้นท่านเคยเล่าให้ฟังถึงการพยายามฝึกหัดสติ ท่านพักอยู่องค์เดียวถ้ามีหมู่เพื่อนอยู่ด้วยรู้สึกขัดข้องไม่สะดวกต่อการบําเพ็ญธรรมถ้าได้ปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่าสติกับปัญญาคมเคลียวกับความเพียรตระกูลลีลาทั้งวันทั้งคืนเพลินกับความเพียรประหนึ่งมือกับงานไม่ปรากฏกันทํางานดีตลอดเวลาสติกับกิจรวมกันเข้าในต่อความเพียร ไม่ยอมกระจัดกระจายกันเลยและความมั่นใจของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่อยู่ในโลกเกิดตายนี้ก็มีประจำอยู่ตลอดเวลาถึงอย่างไรก็จะไปให้พ้นจากทุกข์ในชาตินี้ให้จงได้จะไม่ขอเกิดอีกแล้วเพียงเกิดมาในชาติปัจจุบันปรากฏอยู่ในตัว ก็มีณอาการพอแล้วมีนําดังเห็นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์ณสัตว์ทั่วๆไปซึ่งเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดความทุกข์ทรมานระหว่างสัตว์ตัวมีอำนาจน้อยกับกลุ่มมีอำนาจมากกดขี่บังคับทําทารุณโหดทรายต่อกันเสื่อมความทุกข์ไปจากตาเป็นเหตุให้เกิดความสะดุ้งเสียต่อเหตุการณ์นั้นๆ เป็นกําลังเพิ่มขึ้นโดยลําดับเพราะเหตุนั้นจึงไม่ขอเกิดอีกในชาติต่อไปวิถีจะไม่ขอเกิดอีกนั้นขอถือความเพียรเป็นศักดิ์นิพพานภายในใจอยู่ที่ไหนขอให้เป็นไปกับเพื่อความเพียรเท่านั้นไม่ประสงค์สิ่งใดซึ่งจะเป็นการเนิ่นท้าต่อทางโทษทุกข์มีธรรมะห้องต่างๆโอกาสอันควรท่านไปอยู่ที่ไหนได้รับความรู้ความฉลาดมากน้อย <c oughs> ท่านไม่เคยคิดวังผมเลยดูที่นั่นเป็นอย่างนั้นดูที่นี่เป็นอย่างนี้แม้ที่สุดเวลาจิตของท่านจะถึงแดงแห่งความทมหนังอย่างถึงไกลท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านดูใต้ร่มไม้ซึ่งอยู่รดเดียวเพียงต้นเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าขณะตรัสรู้ใต้ร่มโข่ต้นเดียวกากดขึ้นในขณะนั้นตอนกลางคืนยามดึกสงัด ที่ตามที่ทราบจากท่านมาเรื่องวิถีชีวิตของแต่ละท่านย่อมเป็นขึ้นจากเอ่อกำเพาะตนเองจะไปเรียนเรียนแบบจากกันมานั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความรู้ต่างๆในแง่ธรรมและทั้งหมดโวหารซึ่งจะนํามาทั้งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามภูมิสันวาสนาเหมือนเศรษฐีมีทรัพย์มากก็ทายสมบัติของเศรษฐีเอง คนตนมีสมบัติน้อยก็ใช้สมบัติของตัวใครจะมีกระทงต่างก็ใช้สมบัติที่ตัวหามาได้ทั้งนั้นเรื่องมีสายวัฒนาใครจะมีมากมีน้อยกว้างแคบย่อมขึ้นอยู่กับตนเองโดยเฉพาะจะไปหยิบยืมกันมาใช้ไม่ได้อาสัยวัฒนาของตนเกิดขึ้นจากตนเองเพราะเหตุนั้นกิริยามารยาทอัธยาศัยตลอดทั้งพูดจาประสายความรู้ความถนัดปึ้กๆ มีความประสางกันตามนิสัยวาสนาและเราจะติดขัดอยู่กับท่านเป็นเวลานานเท่าตามแต่จะประเสริฐเอาอัตถธรรมจากท่านมาเป็นสมบัติของตนตลอดการนําไปแสดงให้แต่ใครต่างสนับสนุนอื่นแล้วรับไปไม่ได้นอกจากกรรมนิสัยวาสนาความรู้ความสามารถมากน้อยก็อาศัยแต่ตามกําลังของเราเท่านั้นจะเป็นความพอดีและไม่เลยขอบเกิดความงามของตนสําหรับท่านอาจารย์มั่น ท่านฉลาดในการแนะนำทั้งตอนมากขึ้นติดสําคัญทั้งคันท่านไม่ยอมเปิดเผยเลยแต่เดินเฉพาะปฏิบัติตาเครื่องดําเนินเท่านั้นพอไปถึงจุดสําคัญท่านปิดคําพูดออกจากจุดนั้นเสียแล้วก็ไปโผล่ขึ้นข้างหน้าเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งท่านไม่ยอมเปิดเผยจุดที่สําคัญแต่ที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสําคัญแต่ก่อนผมก็ยังไม่เข้าใจความหมายท่านท่าน มากราบเมื่อภายหลังถ้าถูกหรือผิดก็ขออภัยจากวรรณนาท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยก็ท่านเจรลาดมากสมกับเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์เป็นจํานวนมากแต่ที่ท่านไม่ยอมเปิดจุดสําคัญสําคัญมีอยู่มา 2 ประการคือคนมุ่งต่ออัตตทําจริงๆจะนําเอาธรรมะของท่านไปเป็นโลภบางหน้าโดยแบบอ้างมากเป็นข้อสนแล้วประกาศโฆษณาขายสิน ผู้มีความมุ่งหวังในทําอย่างแรงกล้าเมื่อพิจารณาไปถึงจุดนั้นแล้วทําเป็นธรรมชาติที่ท่านรู้และแสดงออกมาไม่ใช่ธรรมที่จะคาดหมายเอาโดยลําพังเพราะฉะนั้นจากท่านแสดงในจุดสําคัญนั้นแล้วไปหมายหรือมีความสําคัญอย่างละเอียดแทรกขึ้นมาในขณะนั้นแล้วเข้าใจว่าตนรู้ในภูมิธรรมนั้นแต่เสียเลยกลายเป็นสมุทัย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 กล้าเป็นความโง่โดยไม่รู้ตนซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มาศึกษาได้ความตั้งใจจริงๆสําคัญที่ไปบ้างเพราะความไม่รอบคอบของตนอาจจะมีอยู่บ้างในประการที่ 2 ทั้งนี้เพราะอํานาจแห่งเวทนาหวังดีในหมู่เพื่อนท่านอาจารย์มั่นท่านตลาด ทั้งภายนอกภายในภายนอกท่านก็มายอมเปิดเผยเอาให้งานฟังจากท่านแล้วต้องไปตีความหมายเอาเองถึง 2 น, า, สส ว, าน, าย, าน, 3 วันก็มีผมเองเคยคิดอย่างนั้นสําหรับหมู่คณะจะคิดหรือไม่ผมไม่มีโอกาสล้ําหน้าแต่พอผมแล้วไตร่ตรองคําพูดของท่านซึ่งตนถือว่าเป็นอุบายอย่างเต็มกําลังบางครั้งตีปัญหาในคําพูดของท่านถึง 3 วันยังไม่รู้เรื่องเลยจําเป็นต้องเข้าไปกราบเรียนถามท่านว่า ต่อด้วยท่านอาจารย์โทษอย่างนั้นอย่างนั้นกระผมเองนําไปพิจารณาถึง 3 วันยังไม่เข้าใจครับคําหมายไม่ทราบพื้นต้นเรื่องตายแทนคําพูดของท่านอาจารย์คือควรถือเอาอยู่ที่ไหนนั้นมีความหมายเพียงแค่ไหนในคําพูดนั้นๆท่านก็ยิ้มรับเพียงเล็กน้อยแล้วตอบว่าก็ยังมีผู้พิจารณาตามอยู่หรือมีท่านว่า กราเปรียญท่านว่าตามก็ตามด้วยฐานะแห่งความโง่เมื่อถ้าตามด้วยความฐานะอันใดท่านก็ตอบรับมาเล็ดเล็ดน้อยๆว่าคนเราเกิดมาเบื้องต้นก็ต้องโง่ไปก่อนและทุกคนเกิดมาไม่ได้หาความฉลาดและเงินทองกองสมบัติมาด้วยสักรายเดียวถ้าอาศัยความหมั่นศึกษาไตร่ตรองความขยันหมั่นเพียรก็กลายเป็นคนฉลาดมั่งคั่ง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 ก็หมดหนทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าอาจารย์มั่นคงทัศนคติทํานองนี้จึงไม่ยอมแก้ปัญหาข้อห้องใจในเวลาที่เรียนถามท่านการปรึกษาจากท่านไม่เพียงจะศึกษาข้ออัตข้อธรรมโดยทายเดียวยังต้องพยายามทําตนให้เครื่องคลึงต่อข้อวัดปฏิบัติคือทางดําเนินที่ท่านพาดําเนินโดยเป็นเครื่องคลึงจิตจิติกายกายวาจาของเราการอยู่กับท่านเป็นเวลานานเป็นทางกลมกลืนนิสัยณข้อวัดปฏิบัติตลอดคุณงามความดี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 หากว่าได้จากท่านไปเราเป็นผู้สงสัยต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะคุยุงตัวได้ในอุปาทานต่างๆคือรับจากท่านเวลาเราอยู่กับอาจารย์มรรคผลนิพพานดูเหมือนจะเอื้อมมือถึงทําอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันปรากฏขนขึ้นมาเป็นน้ําหนักเมื่อจากท่านแนะไม่เป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นคนหนํามุมโลกไปถ้าจิตไม่มีรากฐานโดยมากต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจิตมีรากฐานคือมีสมาธิและมีปัญญารักษาตัวอยู่ที่ไหนก็ดี ได้เป็นประโยชน์ถ้ามีข้อห้องใจเกิดขึ้นซึ่งตัวไม่สามารถแก้ได้ต้องรีบไปหาท่านเพื่อรับการศึกษาเมื่อรับแก้ไขข้อห้องใจแล้วโดยมากปัญหาข้อห้องใจย่อมขาดถ้าบ้านลงทันทีก็หนึ่งท่านช่วยตัดเพื่อกันห่างสําหรับผมเองเป็นอย่างนี้ตั้งคุยกับท่านไปเพียง 5-6 วันเท่านั้นเกิดข้อห้องใจขึ้นมาแต่รอไปอีกสัก 2-3 วันไม่ได้ถ้าเราแก้ปัญหาข้อห้องใจนี้ไม่ได้จากขณะปัญหาเกิดขึ้น ถึงเวลาของวันรุ่งขึ้นตอนเช้าต้องรีบไปข้อคองใจบางอย่างสําคัญมากเมื่อเกิดขึ้นแล้วตนเองแก้ไขไม่ได้ต้องรีบไปศึกษากับท่านแต่ข้อคองใจบางอย่างค่อยสําคัญเนาะและเกิดขึ้นแล้วเราจะรอได้หลายวันก็ยังได้ปัญหาทั้งนี้เทียบกับโรคบางชนิดแม้เกิดขึ้นแล้วจะไม่รีบส่วนในการตามหมอก็ได้แต่โรคบางชนิด ต้องแม้เกิดขึ้นแล้วถ้าตามหมอหมอไม่มาเราต้องไปหาหมอไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายของใจชนิดสําคัญนี้เมื่อปรากฏขึ้นถ้าเราไม่สามารถแก้ไขตนเองได้ต้องรีบไปหาครูอาจารย์ถ้าปล่อยหาโดยลําพังย่อมเป็นไปไม่ได้ผลปรากฏจากข้อห้องใจซึ่งไม่ยอมแก้ไขจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เป็นคนถือลือน้องหลงหนุ่มลืมกลายเป็นคนคนบอๆไปบ้างอย่างมากถึงเป็นบ้าไปเลย ในโลกให้นามว่าทําแตกโดยมากเกิดจากปัญหาข้อห้องใจซึ่งต้นไม่รู้วิธีแก้ไขและไม่ยอมแก้ไขกอยไว้นานๆไปก็ปรากฏผล 2 อย่างขึ้นมาปัญหาดังกล่าวนี้ผมเคยเป็นในจิตใจของผมเหมือนกันวันที่อาจารย์มั่นมรณภาพผมได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าเราหมดที่พึ่งทางใจแล้ว เวลานั้นแต่ของผมยังมีอะไรอะไรดีและเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่ายๆด้วยเมื่อไม่คิดถูกจุดสําคัญที่เรากําลังติดและพิจารณาอยู่อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยชี้ได้รับผลจากท่านมาแล้วทั้งในเวลาเล่นความเรียนอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้ว จึงดูกับหมู่คณะไม่ติดคิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามหาอยู่โดยนําทางตนเองแล้วตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวจนกว่าปัญหาหัวใจคุกคมิตรจะขึ้นผุดลงจากใจโดยขึ้นเองจึงก็ยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อกามนุปภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วไม่นานผมเข้าไปกราบเท้าท่าน แล้วนั่งรำพันรำพึงรำพันตรงความสลดสังเวชน้ําตาไหลนองอยู่ใต้เท้าท่านเกือบ 2 ชั่วโมงพร้อมทั้งพิจารณาทําในใจของตนกับโอวาทที่ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาอุตสาหะสั่งสอนเรามาเป็นเวลา 8 ปีที่เรามาใสอยู่กับท่านเวลานานถึงฉะนี้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 ยิ่งดูนานก็ยิ่งเป็นที่เขาก็พลักและเลื่อมใสหาประมาณนี้ได้ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปกันแล้วในวันนี้อนิจจวตสังขาราเรือนร่างของท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่คืออาการอันเลื่อมใสและอาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสลับแทนได้ด้วยความรักของเรากับเรือนร่างของเราที่นั่งสงบกาย แต่ไคหวั่นไว้อยู่ด้วยความหมดหวังและหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไปทั้ง 2 เรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคืออนิจจาอันเดียวกันต่างก็เดินไปตามหลักธรรมคืออุปปัชชตวานิรุจังติเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านอาจารย์มั่นท่านเดินแยกทางสมมุติทั่วๆไป ตามหลักธรรมบทว่าเตสร้างบุพะตโมสุขโขท่านตายในชาติที่นอนสงบให้จิตทั้งหลายปรุงความสลดสังเวชอยู่ชั่วขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ําตาเหมือนสมมุติข้อทั่วไปอีกแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากพบพรากเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกันคุณะจึงก็ต่อให้ ติดกันอย่างสนิทหีบนั้นเป็นไปไม่ได้ผมนั่งรำพึงอยู่ด้วยความหมดหวังและปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเรื่องกับท่านบัดนี้เราจะปลดเรื่องกับใครและใครจะมารับปลดเรื่องปัญหาของเราให้ขึ้นสะอาดไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่นไม่มีแล้วเป็นกับตามีเราคนเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับหมอที่เคยรักษาโรคเราให้หายไม่รู้กี่ครั้งคือเราอยู่กับหมอคนเดียวเท่านั้นแต่หมอผู้ให้ชีวิตเรามาประจําวันก็ได้สิ้นไปซะแล้วในวันนี้เราจึงกลายเป็นศรัทธาเพราะหมดยารักษาโรคเมื่อนั่งอะไรอาวรณ์ถึงท่านด้วยความเคารพรักและเลื่อมใสพร้อมทั้งความหมดหวังในท่านก็ได้อุปาต่างๆ ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นว่าวิธีการตั้งตนของท่านเวลามีปิติอยู่ท่านตั้งตนอย่างไรต้องจับเอาเงื่อนนั้นแลมาเป็นครูสอนต่อไปแล้วท่านขยําเสมอว่าอย่างไรขอยันหีจากสักฐานคือผู้รู้ภายนอกถ้าจิตมีความรู้แก่กระแศแปรซึ่งจะให้เกิดความเสียหายถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ให้ย้อนจิตเข้ามาสู่ หายไม่เสียอย่างไรก็ไม่เสียหายท่านสอนอย่างนี้ก็จับเอาเงื่อนนั้นไว้แล้วนําไปปฏิบัติต่อตนเองเต็มความสามารถมีความก็เป็นผู้ใหญ่ย่อมเป็นมาจากผู้น้อยอย่างเราๆเหมือนกันอยู่นี้และต่างก็ได้ผ่านไปเส้นเดียวกันความยากลําบากมีอยู่ได้กันทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องผ่านทางสายนี้ไปด้วยกันจะต้อง <c oughs> ผ่านทางลำบากซึ่งเป็นทางเดินเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทั้งทางโลกและทางธรรมเขาใครๆไม่เคยเป็นเจ็ดศีมาด้วยความเจ็ดครั้งนอนอยู่เฉยๆต้องตื่นขึ้นเพราะความขยันซึ่งจะต้องยึดความลำบากเป็นเส้นทางเดินเพราะความลำบากคือขนคุ้มหวังโดยถูกต้องเป็นทางเดินของคนฉลาดและมั่งคั่งเดินกันเป็นประจำแม้ทางธรรมก็ควรทราบว่าผ่านลำบากเป็นทางเดินของนักปราชญ์ <c oughs> กุกคภัณฑ์หูกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นในบทธรรมก็มีรับรองไว้ว่าทุกขสถานอันตรังทุกขังมีทุกข์เพราะยึดความลำมากเป็นทางเลยทางทุกข์ก็มีบทธรรมข้างไว้ว่าทุกขสถานอันตรังทุกขังคนมีทุกข์เพราะยึดตกเป็นทางเลย เขามีความขยันหมั่นเพียรไม่ถือความลําบากเป็นอุปสรรคฝึกหัดจิตค้นในสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่รอบตัวไม่หยุดยั้งคนนั้นก็จะเป็นคนประเภทที่ 3 เรียกว่าประเภทที่จะไม่ขอเกิดในโลกอีกแล้วจะตายเป็นตกเหตุเตสังภูมิปะสมุโสทุกโขความดับดื้อแห่งความเกิดเป็นสังขารทุกๆประเภทเป็นความทุกข์ปรากฏจากโลกามิสิ่งก่อกวน แล้วเป็นความสุขที่สงบอย่างโดยแท้จริงฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงพิจารณาหนักใจในคนทั้ง 3 ประเภทนี้แล้วเลือกเปิ้นเอาเองว่าคนประเภทไหนเป็นประเภทที่เยี่ยมอยู่ในตัวของเราณบัดนี้เพราะเราทําได้ด้วยกันทุกคนโดยไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรเพื่อพ้นทุกข์ไปตามตะพุทธเจ้าไม่ใช่แค่จะทราบพอจะหลอก ฆ่าหรือตัดทิ้งกับของผู้ภักเพียรเพื่อทางดีตรงกันผู้อาศัยอาศาลต่อการตกเกลี้ยงตนจากเครื่องผูกพันเรื่องความทุกข์ความลําบากซึ่งเป็นเงาของขันธ์ที่ผู้มีขันธ์จะต้องได้รับเป็นภาระด้วยกันทุกงานใครจะมาโกหกกันกันไม่ได้ต้องเป็นทุกข์และตังบนเท่าที่ทราบกันอยู่ในขันธ์ของตนของตนและควรจะทราบว่า เพราะโลกตั้งเป็นเช่นเดียวกับขันธ์ของเราที่ครองตัวนี้ฉะนั้นจงอย่าพากันทำความนอนใจในความหมุนเวียนคือความเกิดตายจงเป็นผู้มีความไม่ประมาทเสมอไม่ควรสงสัยในเรื่องความเกิดพอเกิดกับตายท่านก็บอกแล้วว่าเป็นกองทุกข์อยู่โดยตรงเราอย่าต้องใสว่าจะเป็นดอกบัวอย่าต้องใสว่าจะเป็นข้าวต้มขนมและอย่าต้องใสว่าจะเป็นอาหารหวานข้าวพอจะเป็นเครื่องรับทานให้อิ่มหนำสำราญ อาติญก็คือยาพิษนั่นเองเป็นจึงล่อลวงผู้โง่เขาทั้งเราและท่านให้มาเกิดและตายทับถมกันอยู่ในโลกกองทุกข์อันนี้แต่ถ้าตาในธรรมเป็นมนุษย์ก็ยังดีเพราะช่องที่จะให้เกิดด้วยอํานาจแห่งกรรมที่ตนทําไว้เพราะความโง่ความหลงนั้นนับจํานวนไม่น้อยจึงไม่มีโอกาสจะทราบว่ากรรมจะพาไปเกิดทางไหน ดังนั้นตรงพากันเห็นภายในความเกิดตายทั้งๆอากาศทั้งมันแน่นอนด้วยว่าจะไปเกิดตายในกําหนดอะไรถ้าเป็นมนุษย์ที่เห็นและเป็นอยู่นี้ก็พอทํานองกลัวจะถลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เค้าฆ่าเค้าตีจนกบทําดําเสียวหมดทั้งร่างนั่นมันสําคัญถ้าเหลือตายก็หายตายอยู่ในความอกหั่นขวัญหายตัวตายก็ตายไปก็ยังมีภนิดอยู่ ก็จิตสั่นเออก็จิตสั่นใจหายแล้วมีความวาดหวั่นต่อความตายอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งสายเข้าโรงงานคืนนึงหม้อและเตาไฟเท่าไหร่ไม่จําเป็นจะต้องอธิบายให้มากไปนั่นจึงสัตว์ประเภทหนึ่งที่กราบระงมกองคุกมาพบทราบความเป็นไปของสัตว์โลก แล้วเกาะใดบ้างพอจะเห็นถึงจิตใจผู้ครองชีวิตแต่ละขันธ์ละขันธ์คือว่านักปฏิบัติแล้วต้องคํานึงคํานวณได้ได้ได้เสียดีได้ชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากขันธ์ของตนวันหนึ่งคืนหนึ่งในรอบที่ติฏฐภวังที่เราไม่สบายเค้าเป็นการกังวลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะขันธ์หรือเพราะอะไรมาทําให้เราลําบากทั้งหมด เดินเดินนั่งนอนเครือขันรับพานยึดขันเพื่อขันให้อาการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อขันทั้งนั้นถ้าไม่เพื่อขันต้องแตะข้อทุกบีบคั้นที่ทําทั้งนี้ก็เพื่อเยียดากันไปเล็กๆน้อยๆเพื่อคนไม่ไหวข้อแตกนี่คือภาระอังเวยะปัญจขันธาขันธ์ทั้ง 5 เป็นภาระอันหนักแท้เค้าต้นไม้ใบหญ้าแผ่นดินหินเค้า เจ้าจะถือว่าเป็นของหนักเขาก็อยู่ตามธรรมดาของเขาไม่เคยมาทับมาผมด้วยกฎที่บังคับให้เป็นภาระให้เราได้เป็นภาระได้รับเป็นความลําบากกับเขามีแต่ขันธ์ 5 เท่านี้ทับผมกฎที่บังคับให้เราได้รับความทุกข์ลําบากทุกอาการเคลื่อนไหวนับแต่วันขันธ์เริ่มเกาะตัวขึ้นมาต้องรับความทุกข์เกิด ทุกร้อนด้วยการลิ้นเส้นข้นขวายหามาเพื่อขันธ์กรรมขันธ์มีอำนาจมากทําให้โลกหลายแต่ตามกันคุกจอมยากจนถึงวันขันธ์แตกทําลายนี้ก็พวกเราเป็นธาตุแห่งขันธ์เกิดวันเกิดเป็นวันตายเมื่อสรุปความเรื่องขันธ์แล้วก็ลงเอ่ยกันที่ว่าบ่อแห่งความกังวลคือขันธ์บ่อแห่งเรื่องทั้งหมดรวมอยู่ในขันธ์เป็นผู้บังคับการให้เป็นไปตามอํานาจความต้องการของตน เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีอะไรบ้างที่อตจันจากขันธ์แม้ขันธ์อื่นที่เราจะไปรับเป็นภาระในชาติหน้าจากกําเนิดเกิดขึ้นมามันก็เป็นขันธ์อันเปิดตาอันเดียวกันจะเป็นนายเหนือทิศักของเราให้เป็นครุกับเขาทั้งนั้นจงควบกันที่จะมาให้ชัดเจนด้วยปัญญาธาตุที่เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ธาตุกี่กัปกี่กันเราไม่ต้องไปคาดหมายหรือไปรับไปอ่านจงถือเอา ชาติปัจจุบันที่เรารู้เห็นอยู่นี้เองมาเป็นเครื่องพิสูจน์ทบทวนดูผู้ไม่ประมาทจะรู้ทั้งขันธ์ในอดีตทั้งขันธ์ในอนาคตว่ามีลักษณะอันเดียวกันกับขันธ์ที่มีอยู่กับตัวของเรานั้นมาในปัจจุบันนี้ขอแต่บังคับใจให้อยู่ในกรอบแห่งใจนึกซึ่งอยู่ทั่วร่างกายและจิตใจตลอดเวลา แม้ติจะมีความพุ่งเปรอะเห่อเหิมสักเท่าไหร่ก็ทนต่อสติกับปัญญาประกอบคงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อยังไม่คล่องแคล่วก็ต้องบังคับขู่ถ่ายกันไปถ้าสติกับปัญญามีกําลังพอทรงตัวได้แล้วเสมือนความสว่างกับดวงไฟซึ่งปรากฏขึ้นพร้อมๆกันเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกหัดจนเคลี้ยงไกลอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาไม่ใช่จะต้องขู่ถ่ายกันไปตลอดเวลา มันจะพยายามตัวด้วยสติปัญญาณกําลังเพื่อตัวเองผู้ใหญ่ต้องทั่วเป็นภาระยังดูทุกอย่างจนกว่าจะจะมีความสามารถแค่ตัวเองได้กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาผู้ใหญ่ซึ่งเคยให้ความดูแลเด็ดก็หมดฐานะไปเรื่องของสติกับปัญญาก็เช่นเดียวกันย่อมมีกําลังสามารถขึ้นเป็นลําดับจากการอบรมเสมอไม่ลดละหรือป่อยไปตามกฎธรรมนับบันเจริญขึ้นโดยถ่ายเดียวจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญา คุณคั่นทำงานในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติคือว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าติดต่อใจแล้วครบประเภทวตุกะมหาสิทธิมหาปัญญาทั้งหานจนหมดซึ่งไปไม่มีอะไรเหลืออยู่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือพุทโธทั้งดวงธัมโมก็เป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะอํานาจของมหาสิทธิของมหาปัญญาฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านจงทําความพยายาม และตนหิณภาระที่จะเป็นไปข้างหน้าเท่ากับภาระถึงความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นอยู่ในสัตว์ทั้งขันธ์ซึ่งก็จักกับเราอยู่ในมหนี้กลับต่อมายิ่งกว่านี้ไปอีกไม่ทราบว่าจะขนาดไหนจึงควรทําตัวให้พ้นไปเสียได้ในชาตินี้โดยจะกลับใจของเราอยู่ที่ไหนก็สามารถหมดปัญหาเรื่องก็เกิดตายไม่ต้องไปยึดถึงที่ไหนไหนรู้อยู่กับใจที่บริสุทธิ์นี้เองฉะนั้นขอให้บรรดา <c oughs> ท่านผู้ต่างๆนำไปคิดเจตนาบำเพ็ญตนด้วยความมุมมอาจทานต่อไตรศีลคือศีลสมาธิปัญญากฎหมายที่เราตั้งไว้ในคนประเภทที่ 3 สกายเป็นเรื่องของเราในวันหนึ่งข้างหน้าทําอะไรทําที่จะเดินมาก็เห็นว่าต้องควรถึงเวลาคนที่ติดลงได้เวลาเพียงเท่านี้เออวัน